มาขึ้นก็ความในมิลินทปัญหาต่อนะในหน้าสองร้อยแปดสิบแปดอักคค ะ, ะสมณะปัญหาพระเจ้ามิลินถามพระนาคเสนว่าพระคุณเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพาสิทธความข้อนี้ไว้ว่าอาสวานังขยาสมโนโหตินี่นะแปลว่าชื่อว่าเป็นสมณะเพราะสิ้นอาสวะทั้งหลายสิ้นกามาสวะสิ้นภวาสวะแล้วก็สิ้น อวิชชาสวะไม่มีขันห้านะเป็นที่ตั้งแห่งกา ม, มาสวะของพาาระรัตน์ไม่มีอีกเลยไม่มีขันเหล่าใดจะเป็นเครื่องหมายแห่งการ ม, มาสวะของท่านไม่มีขันเหล่าใดเป็นเครื่องหมายของภาวะสวะทิฏฐาสว ะ, สวะอวิชชาสวะอย่าลืมว่าอาสวะทั้งหลายเนี่ยเวลามันเกิดเกิดที่ไหนมันอยู่ที่ขันห้าคือพระรัตน์วิจัยขันห้าจนไม่มีขันใดเป็นที่ตั้งแห่ง อาสะวะอีกเลยเนี่ยนะเขาก็เป็นพระอรหันก็เพราะว่าสิ้นอาสะวะทั้งหลายไม่มีรูปเป็นที่ตั้งแหง่งกามาสะวะไม่มีพบเป็นที่ตั้งแหง่งภวาสะวะไม่มีอุปาทานขันห้าเป็นที่ตั้งแหง่งทิฐาสะวะไม่มีอุปาทานขัน ห, าห้าใดเป็นที่ตั้งแหง่งอวิชชาสะวะเพราะฉะนั้นชื่อว่าเป็นสมณะสมณะเนี่ยนะคำว่าสมณะเนี่ยก็คือความเป็นสมณะโดยสับหมายถึง อ, อ, อรหัตมรักษ์นะ อารหัตตมักเนี่ยเรียกว่าสัมมณะอันนี้นี่เรียกว่าชื่อว่าสัมมณะเพราะอะไรนะเพราะสิ้นอาสวะทั้งหลายตัวมักที่ทำให้สิ้นอาสวะคืออารหัตตมักอันนี้พูดแบบสูงสุดเลยนก่อนที่จะถึงอารหัตตมักจะมาด้วยอนาคามีมักแล้วก็อนาคามีมักมาด้วยสกทาคามีมักสกธาคามีมักมาด้วย โซดาปฏิมาศโสดาปฏิมาศมาด้วยโคตรภูญานโคตรภูมาด้วยสังคารุเปกขายานหรือพูดแบบย่อๆก็คือปฏิปทาปฏิปทาญานทัศนวิสุทธิปฏิปทามาจากอะไรปฏิปทาญานทัศนวิสุทธิมาจากอ่า มัคคะมัคฆนะตัดบทเป็นมัคฆะบวกอมัคฆะเนี่ยนะนะเป็นปฏิบัติตามมัคและแปลว่าแยกว่าอะไรเป็นมัคและก็ไมิใช่มัค ก, ก่อนที่จะมาเป็นมัคคามัคฆาานทะัศนวิสุทธิมาจากมาจากอะไรกังขาวิตรณวิสุทธิกังขาวิตรณวิสุท ธ, ธิมาจากทิฏฐิวิสุทธิทิฏฐิวิสุทธิมาจาก จิตตวิสุทธิจิตตวิสุทธิมาจากศีลวิสุทธิสีระวิสุท ธ, ธ, ธิเนี่ยนะก่อนที่จะมาเป็นศีรมยายาญาณนี่คืออะไรคือสุตะมยายาญาณสุตะนี่มาจากไหนมาจากครบสัตบุรุษเนีย่ยนะครบสัตบุรุษถ้คนที่ครบสัตบุรุษได้นี่ต้องอยู่ในปฏิรูประเทศแสดงว่าอาดีตนี่ปรุเพดีมาก ภพเพกับตปุญญตาเยี่ยมนะบุญเก่ามาจริงๆแล้วคนมีบุญเอนกันคนมีบุญมาเกิดก็เลยได้อยู่ในประเทศที่สมควรครบศาสตร์บุตตัวนี้หมายถึงพระพุทธเจ้าก็แปลแปลอีกในหนึ่งก็คือพระรัตนตรัยนั่นเองนะก็คำว่าฟังตัวนี้ก็คือฟังอะไรฟังพุทธคุณธรรมคุณและ สังคคุณเป็นอย่างเยี่ยมแล้วก็ฟังทั้งหมดหนู่นน่ะจนถึงจบอรหั t ตม m a k เรียนมาเป็นอย่างดีหมดเลยฟังเข้าใจทุกขั้นตอนไม่มีควาว่าสับสนปนเปยแม้แต่นิดเดียวเสร็จแล้วก็มาที่เหลือก็มาสังวรพระศีลแปลว่าสังวรไสังวรหปฏิบัติตามหลักสังวร5ประการ เพราะพระศีลที่ดีจริงๆอ่ะศีลสังวรแล้วก็มีสติสังวรญาณสังวรวิริยะสัง ว, วรงวขันติสังวรคนที่มีสังวรห้าได้เนี่ยจึงจะเป็นบาตของจิตตวิสุทธิเนี่ยนะจิตตวิสุทธิเนี่ยนะพอจิตผ่องใสใจใจผ่องใสแล้วก็หยิบเอาสุตะที่ตัวเองนั่นแหละพี่จะฟังมานั่นแหละมามามาไขาควรวนตามเห็นตามนั้นเมื่อเห็นแบบนั้นก็ข้ามความสงสัยใน พระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ข้ามความสงสัยในสิ่งที่ฟังมาทั้งหมดไม่สงสัยแล้วก็ไม่สงสัยในชีวิตที่เป็นจริงอะไรเลยพอเจริญตามนั้นอาจจะมีปีติปสัสสีิเป็นต้นนะนะก็ปีตินี้ก็ยังไม่ใช่มรรคผลเป็นต้นก็มาเจริญอ่าเรียกว่าอนุปัสสนาทั้งหลายเนยะเพราะว่าปฏิปทาานทัศนวิสุทธิ์ก็คือกลุ่มอนุปัสสนาทั้งหลายมันถ้าปฏิบัติตามอนุปัสสนาทั้งหลาย ย้อนกลับมาอีกทีหนึ่งนะพวกเนี้ยโคตรภูสังขารุปเปกขายานพวกเนี้ยมาถึงระดับเนี้ยเขาเรียกว่าอธิปัญญาอะนะอธิปัญญาศิกขาจิตตวิสุทธิเป็นอธิจิตตศิกขาแล้วก็ศีลก็เป็นอธิศีลสิกขาเนี่ยนะก็อธิศีลอธิจิตอธิปัญญาจะบริบูรณ์เมื่อไหร่เบื้องต้น เขาบอกว่าโสดาปฏิมักนั้นน่ะมีศีลบริบูรณ์อธิศีลสิกขาบริบูรณ์อธิจิตศกขาพอประมาณอธิปัญญาศกขาพอประมาณสกทาคามีมักก็เหมือนกันอนาคามีมักเนี่ยอธิศีลบริบูรณ์อธิจิตบริบูรณ์อธิปัญญาพอประมาณ อรหัตตมรักเนี่ยอธิสามอย่างนะอธิศีนอธิจิตอธิปัญญาบริบูรณ์หมดเลยเนี่ยนะสมบูรณ์หมดเลยขั้นสี่คำเนี่ยนะอย่างโซดาปฏิมรักสกะทาคามิมรักอานาคามิมรักษ์เาเรียกว่าสมณนเนี่ยนะเรียกว่าสมณะผลของความเป็นสมณะเรียกว่าสามัญผล สามัญญผลเนี่ยแปลว่าผลแห่งความเป็นสมณะสมณะคือศิกขาทั้งหลายเพราะโสดาปฏิผลนี่จึงเป็นสมณะจึงชื่อว่าสามัญญผลผลแห่งความเป็นสมณะคือโซดาปฏิผลสกัตาคามีผลอนาคามีผลและอรหัตตผลทำสี่ที่ควรทําให้แจ้งคือสามัญญผลสี่ทีนี้เมื่อกี้ท่านบอกว่าชื่อว่าเป็นสมณะเพราะสิ้นอาสวะทั้งหลาย หมายเอาตรงเนี้ยหมายเอาอารหัตตะมักและอรหัตตะผลผู้ที่ได้คุณธรรมอย่างนี้ชื่อว่าเป็นสมณะเพราะสิ้นอาสวะทั้งหลายอันนี้พุทธพจน์เนี่ยมีอยู่แล้วมันขัดแย้งตรงไหนฟังต่อเสร็จแล้วก็ตรัสไว้ในชาดกชาดกชาดกเรื่องอะไรจะตบพิธรมเมหิสมังคิภูตัง ตังเอวะนรังสมณังอาหูโลเกอันนี้อยู่ในวิธุระบันดิตชาดกเนี่ยนะอยู่ในวิทูลบันดิตเนี่ยนะที่แปลว่าปราดทั้งหลายในโลกย่อมกล่าวถึงนระที่เป็นผู้พร้อมเพียงด้วยธรรมสี่ประการนั่นเทียวว่าเป็นสมณะเนี่ยนะในคำที่ตรัสไว้นั้นทำสี่อย่างเหล่านี้เนี่ยก็คือหนึ่งคันติความอดทนสองอปปาหารตาความเป็นผู้มีอาหารน้อย สามรติวิปปานะการละความยินดีสีอากินจัญญะเนี่ยนะความเป็นผู้ไม่มีสิ่งยุ่งเกี่ยวก็สิ่งทั้งหมดนี้ย่อมมีแก่ผู้ที่ยังไม่สิ้นอาสวะยังมีกิเลสอยู่นั่นเทียวนี่ยย้อนกลับมาว่าในชาดกวิธูรบัณฑิตเนี่ยนะวิทูรบัณฑิตบอกว่าผู้ที่มีคุณธรรมสีประการเรียกว่าเป็นสมณะเนี่ยนะในอัตตกถฐานา ส9งร้ที่บอกว่าก็สิ่งทั้งหมดคือทำสี่อย่างมีขันติเป็นต้นย่อมมีแก่ผู้ที่ยังไม่สิ้นอาสวะคือยังเป็นปุตุชนก็พระเจ้ามิลินทรงหมายเอาเรื่องนี้ที่มาในจตุโปสถาชาดกหมวดสี่ซึ่งเป็นเรื่องเริ่มต้นก่อนที่จะมาเป็นวิฑูรบัณฑิตชาดกเลยนะว่าจริงอย่างนั้นในชาดกเรื่องนั้นพระโพธิสัตว์สวยพระชาติเป็นวิฑูรบัณฑิตได้ตรัสสอนบุคคลสี่จำพวกซึ่งล้วนแต่เป็นปุตุชน สี่จำพวกคือใครคือพญานาคพญาสุบรนคือพยาครุตแล้วก็ท่านเท้าสักกะสุดท้ายก็คือพระเจ้าโกรพยะเนี่ยนะมีใจความว่าสีท่านเนี่ยนะคืออดีตชาติเนี่ยเขาเป็นผู้อุปถักรือศีอุปถักรือศีทีนี้มีฤศีอยู่สีท่านฤศีท่านหนึ่งเนี่ยเวลาท่านฉันเสร็จท่านจะไปพักอยู่ที่เมืองนาคอง์หนึ่งฤศีอีกองค์หนึ่งฉันเสร็จจะไปพักอยู่ที่เมืองครุตอีกองค์หนึ่งชันเสร็จก็ไปดาวดิน อีกคนหนึ่งอ่ะชันเสร็จก็ไปที่พระราชวัง น, นะเสร็จแล้วฤศีทั้งสีคนเนี่ยก็มาเล่าให้อุปถากฟังว่าเานี่ยเมืองนาคนะดีอย่างนี y, y ้อย่างงี้อย่างงี้อย่างนี้ก็เล่าให้ลูกศิษย์คนที่หนึ่งฟังฤศีอีกท่านหนึ่งที่ไปเมืองครุฑมาก็เล่าว่าแม่เมืองครุฑนะัดีอย่างนี y, y ้อย่างนี้อย่างนี้อ่างเสร็จแล้วฤศีที่ไปเมือง ดาวดึงมาก็บอกอู้ดาวดึงน่ะดีอย่างนี้สมบัติของเท้าสกัดดีอย่างนี้อย่างนี้อีกคนหนึ่งไปที่วังของพระราชาก็บอกอู้พระราชานั้นดีอย่างนี้อย่างนี้ผู้อุปถักรือศีสี่คนทําบุญกับรือีเหล่านี้แล้วตั้งความปรารถนาใครที่ฟังคําชมเรื่องพญานาคมากก็ตั้งความปรารถนาที่จะเป็นพญานาคคนที่ฟังเรื่องครุฑมากก็ปรารถนาความเป็นครุฑอีกคนหนึ่งอ่ะฟังเรื่องเท้าสกัดมากก็ปรารถนาเป็นเท้าสกัดอีกคนหนึ่งฟังเรื่องพระราชามากก็ตั้งความปรารถนาเป็น พระราชาในที่สุดทั้งสี่คนเนี่ยนะครือขา บ, บดีสี่คนก็ได้ไปเกิดตามที่ต่างๆแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งทั้ง4คนเนี่ยเขาปรารถนาจะรักษาอุโบสถเขาก็เลยสละสถานที่เนี่ยนะทุกคนก็สละมาอยู่ร่วมกันรักษาอุโบสถสา่แในสี่คนเนี่ยเขาอยากถามว่าอุโบสถใครวันแน่กว่ากัน ในเนี่ยพยาอุโบสถของพญานาคดีกว่าของอย่างอื่นหรือว่าอุโบสถของครุฑดีกว่าอย่างอื่นหรืออุโบสถของเท้าสกะวิเศษกว่าอย่างอื่นหรืออุโบสถของพระเจ้าโกรพยะเนี่ยทั้งสี่คนเนี่ยอุโบสถใครชั้นหนึ่งเหมนกันเถอะอุโบสถใครดีกว่าเพื่อนซึ่งพญานาคเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาเนี่ยอุโบสถเขาเนี่ยดีเยี่ยมเขาเนี่ยปฏิบัติได้ดีจริงเพราะอะไรเพราะเขามีขันติเขาอดทนอดกลั้น เป็นเครื่องสงบความกลัวต่อพยาสุบันและความกลัวตายเขาเนี่ยนะเ ข, นนะเขาดีจริงเนี่ยเขาเขามีความอดทนจริงๆเลยนะเพราะที่เขาอดทนเนี่ยเขาไม่กลัวครุดเลยปกติครุดต้องจับเขาไปกินและอย่างหนึ่งทังครุดจับเข้าไปเขาก็ไม่กลัวตายเพราะฉะนั้นเนี่ยเขานี่แหละคือสมณะแบบนั้นนะเขาก็อดอ้างตัวพิเศษกว่าเพื่อนแบบนั้นในพยาครุดเขาบอกว่าเขาเนี่ยแน่จริงเพราะอะไรเพราะเขามีอาหารน้อยเนี่ยนะ อัปปาหาระตาคือความเป็นผู้มีอาหารน้อยคือความคิดงดเว้นจากการถือเอาพวกหน้าเป็นอาหารเป็นเครื่องสงบเว้นเขานี่ขนาดอาหารอยู่ต่อหน้าต่อตานะเขายังไม่เอาเป็นอาหารเลยอ่ะเห็นครุฑเนี่ยปกตินี่ยหมนกตั้งงูเนี่ยใช่ไหดนกเนี่ยเห็นงูแล้วทิ้งได้เหร อ, อย่างงี้นะนี่ก็เหมือนกันพญาครุฑเห็นพญานาศปกติเนี่ยอาหารอันโอชาเลยแหละแต่ก็สำรวมทองไว้อะนะว่าอย่าไปกินเลย จริงอดีตชาติก็เป็นเพื่อนเก่ากันเนี่ยนะเพื่อนรักกันมากเลยนะแต่ว่าไปเกิดต่างพบต่างชาติก็ยังมาเกิดในชาตินี้เขาก็ยังรักกันมากแต่เขาก็บอกว่าเขาเนี่ยดีจริงเพราะเขาอดทนได้เขางดเว้นจากการถือเอาพญานาคนี่เป็นอาหาร <Okay. S 1> คนที่สามเขาบอกว่าคนที่สมคือเทา้าส ก, ก่านะเทา้าส ก, ก่าบอกว่าจะชื่อว่าเป็นสมณะก็เพราะว่ามีรติวิปปานะฮะเพราะการละความยินดีเพราะตัวเขาเองเนี่ย ละเวนหลีกจากหมู่นางฟ้าเป็นเครื่องสงบความเร่าร้อนคือราาักค่ะเขาละบริวานเนี่ยสองล้านกว่ามาได้เนี่ยนะเขาถือว่าเขาเนี่ยพิเศษเขาพิเศษเพราะละนางฟ้ามาได้ละความสุขในสวรรค์ชั้นดาวดึงอะมาอยู่รักษาอุโบสถในเมืองมนุษย์เนี่ยเขาแหละเป็นสมณะส่วนพระเจ้าโกรพยะเขาบอกว่าชื่อว่าเป็นสัมณะเพราะเป็นอากินจนะเพราะไม่ยุ่งเกี่ยวอันเป็นชื่อของความมักน้อยแล้วก็ เป็นผู้มีความสันโดษเป็นเครื่องสงบจากความขวนขวายไม่รู้จักหยุดในอันแพร่อำนาจครอบครองแว่นแขว้นชนบทปกติแล้วแหมพระราชานี่มีราชกิจมากใช่ไหมก็ยังทิ้งกิจทั้งหมดเหล่านั้นมาอยู่รักษาอุโบสถเขาบอกว่าอุโบสถของเขาเนี่ยพิเศษมากตกลงว่าอุโบสถของทั้งสคนเนี่ยใครเยี่ยมกว่าเพื่อนพญานาคเขาก็บอกว่าอุโบสถเขาเยี่ยมพายาครุฑเขาก็บอกว่าอุโบสถเขาดี แล้วก็ท้าวสักกาก็บอกอุโบสถเขาก็ดีพระเจ้าโกรพยะก็บอกอุโบสถเขาก็ดีมากนะก็เลยเอย๊ถามใครดีก็เลยไปถามวิฑูรบัณฑิตนะวิฑูรบัณฑิตก็บอกว่านี่แหละปราดทั้งหลายในโลกกล่าวถึงนราผู้พร้อมเพียงด้วยธรรมสี่ประการนี้แหละว่าเป็นสมณะเนี่ยนะก็บอกว่าดีเหมือนกันหมดเลยยกย่องหมดเลยนะเขาบอกว่า ทั้งพญานาคทั้งพญาครุฑ ท, ทั้งเท้าสักกะทั้งพระเจ้าโกรพยามีกุณธรรมเครื่องความเป็นสมณะทั้งนั้นแหละที่ไปรักษาอุโบสถได้ขนานี้ก็ดีเยี่ยมหมดทุกคนก็เลยให้บรรณาการกันหมดเลยทีนี้ประเด็นของเรื่องะนะพระเจ้ามิลินก็ยกมากล่าวว่าในชาดกกับในพุทธพ์ ท, ทั้งสองแห่งเนี่ยนะมันขัดขัดกันอยู่เหมือนกันนะ ขา ด, ดยังไงบอกว่าพระคุณเจ้าน่าเกสินถ้าหากว่าบุคคลเป็นสมณะเพราะสิ้นอาสวะทั้งหลายจริงสายถ้าอย่างนั้นคําที่ตรัสไว้ว่าปราทั้งหลายในโลกย่อมกล่าวถึงนรัที่เป็นผู้พร้อมเพรียงด้วยธรรมสี่ประการนั่นเทียวว่าเป็นสมณะคือสมณะสั์แรกหมายถึงผ้รหันสมณะสัพท์ที่สองหมายถึงปุตุชนเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าชื่อว่าเป็นสมณะเพราะสิ้นอาสวะทั้งหลายเนี่ยถ้าอย่างนี้จริง ที่บอกว่าสมณะพะมีทำรรสี่ประการก็ต้องไม่จริงไม่ถูกต้องผิดถ้าหากว่านระเป็นผู้ถึงพร้อมเพรียงด้วยทำสี่ประการชื่อว่าเป็นสมณะจริงไซถ้าอย่างนั้นคําที่ตรัสไว้ว่าชื่อว่าเป็นสมณะก็เพราะสิ้นอาสวะทั้งหลายอย่างนี้ก็ไม่ถูกต้องสรุปว่าถ้าชมปุตุชนว่าดีจริงว่าเป็นสมณะพระอาหารก็ไม่น่าใช่นะนะเขาก็ประเด็นเขาอยู่ตรงนั้น ปัญหาเมข้อนี้ก็มีสองเงื่อนตกถึงแก่ท่านแล้วขอท่านจงคลี่คลายปัญหานั้นเถิดพระนาคเสกมก็ตอบว่าขอถวายพระพรมหาบพิตพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงภาสิทิ์ความข้อนี้ไว้ว่าเชื่อว่าเป็นสมณะก็เพราะสิ้นอาสวะทั้งหลายอ่ะจริงและตรัสไว้อีกว่าปราทั้งหลายในโลกย่อมกล่าวถึงนระที่เป็นผู้พร้อมเพรียงด้วยธรรมสี่ประการนั่นเทียวว่าเป็นสมณะนี้ก็จริงขอถวายพระพร คำที่ว่านี้นะที่บอกว่าปราดทั้งหลายในโลกย่อมกล่าวถึงนระที่เป็นผู้ถึงพร้อมเพียงด้วยธรรมสี่ประการนั่นเทียวว่าเป็นสมณะดังนี้นั้นนะ่ะตรัสไว้เกี่ยวกับคุณธรรมสำหรับบุคคลเหล่านั้นนะเพราะว่าผู้มีคุณธรรมเหล่านั้นนะเช่นพระราชาสี่องค์ที่กล่าวไปแล้วอนะ่ะท่านเหล่านั้นก็มีคุณเครื่องความเป็นสมณะในขณะที่สละมารักษาอุโบสถอยู่อย่างนั้น ส่วนคำว่าเชื่อว่าเป็นสมณะก็เพราะว่าสิ้นอาสวะทั้งหลายนี้เป็นคำพูดที่หาส่วนเหลือไม่ได้เป็นคำพูดที่ระดับสูงสุดเนี่ยนะระดับสูงที่สุดถ้าดูตามแผนผังเนี่ยนะถ้าดูตามผังที่กล่าวว่าผู้ที่มีศีละสังวรคือมีอะไรมีพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยรักษาอุโบสถใช่หัหยรักษาอุโบสถทีนี้ อุบสถเนี่ยมันประกอบด้วยอะไรสีลสังวร อ, อะไรสติสังวรยานาสังวรขันติสังวรแล้วก็วิริยะสังวรรวมๆแล้วพระราชาทั้งสองค์เนี่ยสรรเสริญสังวรเหล่านี้ซึ่งอยู่ในกลุ่มอธิศสินผู้ที่มีศีลก็เรียกว่าเป็นสมณะแต่ถ้าเป็นสมณะเพราะสิ้นอาสวะทั้งหลายอันนี้เป็น ยอดสมณนนะนะอันนี้พระเจ้ามิลินก็จะพูดว่าถ้าอย่างนี้ถูกอย่างนี้ก็ผิดถ้าอย่างนี้ผิดอย่างนี้ก็ถูกเขาจะเอาให้มันถูกอย่างใดอย่างหนึ่งไปเลยมันเหมือนกขบอกว่าอะไรนะถ้าเป็นผู้ใหญ่จริงจะเรียกว่าคนถ้าเด็กก็ไม่ใช่คนถ้าเด็กเป็นคนผู้ใหญ่ก็ไม่ใช่คนคล้ายๆก็จะพูดแบบนี้นะสรุปว่า พุทธพจน์ที่บอกว่าเชื่อว่าเป็นสมณะเพราะสิ้นอาสวะทั้งหลายดังนี้เป็นคําพูดที่หาสวนเหลือไม่ได้เป็นสุดยอดสูงสุดว่างั้นขอถวายพระพรอีกอย่างหนึ่งบรรดาบุคคลเหล่าใดเหล่าหนึ่งซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อสงบกิเลสคือเป็นสมณะเนี่ยนะพระขีณาสพผู้สงบกิเลสได้แล้วนั่นเทียวเทียบกับบุคคลเหล่านั้นทั้งหมดก็จัดว่าเป็นยอดของ สมณะคือผู้ที่ปฏิบัติตั้งแต่มีอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาโดยลําดับพวกนี้เรียวกว่าเป็นสมณะทั้งหมดเพราะปฏิบัติเพื่อสงบระงับอาสวะทั้งหลายแต่ว่าถ้าสงบระงับสูงสุดจริงๆก็ต้องเป็นพระอรหัน์นั่นแหละพรทหัน์จึงสุดยอดหรือว่ายอดของสมณะ ขอถวายพระพรเปรียบเหมือนว่าดอกไม้ทั้งหลายทั้งที่เกิดในน้ําทั้งที่เกิดบนบกเหล่าใดเหล่าหนึ่งบรรดาดอกไม้เหล่านั้นดอกมะลิกล่าวได้ว่าเป็นยอดของดอกไม้ก็ดอกไม้ชนิดต่างๆเหล่าใดเหล่าหนึ่งที่เหลือดอกมะลินั่นเทียวเทียบกับดอกไม้ทั้งหมดเหล่านั้นแล้วก็จัดว่าเป็นดอกไม้ที่คนปรารถนาที่คนชื่นใจสันใดขอถวายพระพรบุคคลผู้ปฏิบัติ เพื่อสงบกิเลสเหล่าใดเหล่าหนึ่งพระขีนาศบสงบกิเลสได้แล้วนั่นเทียวเทียบกับบุคคลเหล่านั้นระดับล่างๆแล้วเนี่ยก็จัดว่าเป็นยอดสมณะฉชนั้นเหมือนกันเรียกว่ายอดเป็นเป็นสุดยอดของสมณะในหมู่สมณะทั้งหลายเนี่ยนะขอถวายพระพรอีกอย่างหนึ่งเปรียบเหมือนว่าข้าวสาลีกล่าวได้ว่าเป็นยอดแห่งข้าวแห่งประเภทข้าวทั้งหลายข้าวชนิดต่างๆเหล่าใดเหล่าหนึ่งที่เหลือข้าวสาลีนั่นเทียว เทียบเทียบกับข้าวทั้งหมดเหล่านั้นด้านความเป็นโภชนะเยียรยาสรีระแล้วก็กล่าวได้ว่าข้าวสาลีนี่แหละเป็นยอดโภชนะแห่งบรรดาข้าวเหล่านั้นฉันใดขอถวายพระพร บ, บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อสงบกิเลส เ, เหล่าใดเหล่าหนึง่งพระขีนาศพบทั้งหลายผู้สงบกิเลสได้แล้วนั่นเทียบเทีย บ, บ, บกับบุคคลเหล่านั้นทั้งหมดก็จัดว่าเป็นยอดสมณนะฉันนั้นเหมือนกันพระเจ้ามิรินก็บอกดีจริงพระคุณเจ้า พระเจ้าขอยอมรับตามคำที่ท่านกล่าวมาชนี้เนี่ยนะเชื่อแล้วว่าระดับล่างกว่าสมณนะถ้าอรหันต์ก็สมณะว่าเป็นยอดสมณนะอยอมรับละเหมือนอะไรเหมือนดอกไม้ดอกมะลิกับข้าวสาลีนะ